ความสงบดังภาวนาฝังเทศมันเข้ากันฝังเทศด้วยทําความสงบใจด้วยงานคือภาวนาภาวนานี้เป็นงานงานนี่เป็นงานเพื่อความสงบความสงบคือความสงบใจตั้งสติให้ดี สังรวมมาที่กายของเราที่ใจของเราดูมาให้มัดชัดๆที่กายของเราชัดข้ามาชัดข้ามาชัดข้ามาหลับตาตาก็ไม่ได้เห็นหูอาจจะได้ยินแต่เราไม่สนใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกาย อ, อาจจะเป็นเสียงบ้างที่ชัดที่สุดก็คือลมหายใจ ลมหายใจนี้เป็นธรรมชาติของกายธรรมชาติของกายนี้ผู้ปฏิบัตินั้นจะไม่หลงลมจะมองเห็นลมว่าเป็นลมลมเป็นกายกายเป็นลมลมเป็นกายพร้อมกับดำริพุทโธลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทตามประไมาจารย์ลุมปุมั่น ท่านสอนให้พวกเรากลมกับลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทธทพุทโทพุทโทเป็นการบริกรรมแท้ที่จริงเราดูให้ชัดเจนมันเป็นการทําสติมันเป็นการเจริญสติมันเป็นการเพิ่มสตินี่คือวิธีการทําให้ใจสงบสงบอีกแล้วสงบอีกแล้วสมาธิอีกแล้ว แม่อย่าเพิ่งขัดแยง้งถ้าท่านไม่สงบท่านจะเอาอะไรมานิ่งถ้าใจท่านไม่นิ่งท่านจะดูอะไรได้ชัดมันดูไม่ชัดดอกพูดถึงความสงบก็อย่าไปพูดถึงเรื่องสงบจนตีกับเป็นเรื่องของปัญญาพูดปัญญาก็อย่าไปพูดถึงเรื่องปัญญาจนตีความสงบพระพุทธเ้ท่านสอนว่าสินหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญา ศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาแล้วของเหล่านี้มันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่ด้วยกันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นี่เนี่ยที่ใจเดี๋ยวนี้ขณะนี้ตอนนี้โดยจะแยกแยกจะไปเก็บไว้ตรงไหนก่อนอใช้ปัญญาใช้ปัญญาและสมาธิท่านจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนสมาธิเป็นพลังเป็นเครื่องหนุนในขณะเดียวกันเราเจริญปัญญาเข้าไปแค่เราทําความสงบอยู่กับ อารมณ์เข้าคือลมลมหายใจเข้าเป็นธรรมชาติของมันนะร่างกายเนี่ยหลับตื่นลืมตาหายใจไม่หยุดดอกหยุดหายใจก็คือไม่นานดอกที่เราหมดชีวิต <c oughs> ลมเป็นกายใจเป็นพูดนํำริหายใจเข้านํำริพูดหายใจออกนําปรีโทได้ทั้งกายได้ทั้งใจ เป็นหลักมหาสติปัฏฐานร้อยเปอร์เซ็นหลวงปู่มั่นท่านพิจารณานิมิตสมัยท่านภาวนาใหม่ๆท่านมีนิมิตนิมิตในสมาธินั้นน่ะจิตต้องสงบนะไม่ใช่เป็นนึกนึกคิดคิดแล้วก็ค า, า, าดเดาเดานี่แหละคือนิมิตนิมิตไม่ใช่ นิมิตที่มีในสมาธินั่นน่ะเป็นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นจากจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็จิตมันออกรู้ออกเห็นในภายในของตัวมันเองจิตออกรู้ออกเห็นในภายในเป็นนิมิตทีนี้พอท่านสงบไปแล้วท่านมีนิมิตนิมิตอะไรมาเกิดถ้าตามเกาะไปเรื่อยเกาะไปเรื่อยเกาะไปเรื่อยนิมิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยวันไหนท่านกับตามเกาะตามนิมิตอยู่อย่างนั้นในที่สุดท่านบอกว่าโอ้ยมันไม่จบไม่สิน้น เดี๋ยวเปลี่ยนอย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไปอย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนไปนี้เปลี่ยนวิจิพิสารไปไหนก็ไม่รู้จิตก็สงบอยู่แค่นั้นขั้นนั้นระดับนั้นท่านว่าน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ตอนหลังมาท่านไม่ให้ตามนิมิตท่านไม่ทิ้งความรู้สึกที่กายไม่ทิ้งความรู้สึกที่ใจก็นี่แหละความรู้สึกที่กายความรู้สึกที่ใจความรู้สึกที่กายก็คือรับรู้ลมหายใจเข้า จิตก็ดําริพุทลมหายใจเข้าดําริพุทธลมหายใจออกดําริโทพวกเราวิสัยพระสาวกไม่ใช่วิสัยพระาศาสดาเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านวิสัยพระาศาสดาคืนวันคืนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้โปรง่งดูลมชักได้ว่ารู้ว่าลมเท่า น, นั้นแหละลมเป็นลมไม่คืออะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแ่ะลมก็คือลม ทางความรู้สึกอยู่เฉพาะลมสมาธิของพระองค์แน่นหนาขนาดไหนระดับไหนรูปสมาบัติอรมปสมมาบัตินี่เราพูดถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของพวกเราอืมเพราะฉะนั้นลมไม่คลาดไปจากความรู้สึกสติสัมปชัญญะปัญญาของพระองค์ตามรู้อยู่อย่างนั้นมันก็เป็นการเจริญปัญญาไม่ใช่เจริญความสงบ เนี่ยวันคืนที่ผู้ศรเจ้าท่านทรงเจริญลมอานาปานสติท่านเจริญปัญญากำหนดพิจารณาตามไปสักระยะหนึ่งตั้งแต่โพธิมัยมนั่ะตั้งแต่หัวข้ามไปจนถึงนู่นสองสามสี่ชั่วโมงสี่ทุ่มนั่นจิตของท่านมีย า, านาัศนะเกิดขึ้นจิตของท่านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ส่งไปนู่นไปนี่เหมือนอย่างพวกเรา ให้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นลมอย่างเดียวเห็นหมดเน่ยลมเข้าลมออกลมยาวรู้สัจธว่ารู้ลมออกยาวรู้สักธว่ารู้กิเลสไม่เกิดความยินดีจากรู้ลมนะไม่เกิดความยินร้ายจากรู้ลมไม่เกิดเพื่อจะรู้รับรู้เฉยๆอัตตาตัวตนไม่โผล่อัตตาตัวตนไม่เกิด อัตตาตัวตนไม่เกิดปัญหามันก็ไม่เกิดเมื่อปัญหาเกิดอัตตาตัวตนเกิดเมื่ออัตตาตัวตนเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดนี่ที่ไปที่มาของกิเลสแล้วก็ที่ดับของกิเลสเกิดตรงนี้แล้วก็ดับตรงนี้เองมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลที่ไหนเลยบางทีเราไม่มีกรอบขอบเขตจํากัดเราไปตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาพอนาโอ้ทำไมมันกว้างขวางแล้วเกิดมัน เหลือบากว่าแดงที่เราจะมารู้มาเห็นตามยังไงจะได้นอนั่งไปเพื่อได้ศพเหมาะสมล่องไปอันนี้คือคืแนวปฏิบัติคือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นการมารู้เท่ากับธรรมชาติของจิตการทํางานระบบการทํางานของจิตอย่างแท้จริงแท้จริงก็คือพวกเราไม่ได้รู้ไม่ได้รับความเข้าใจหรืเหตการที่จิต มันออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจออกมาทำไมด้วยเหตุใดออกไปรู้แล้วเกิดความรู้สึกอะไรอย่างไรเราไม่เคยศึกษาเราไม่เคยสนใจเลยเท่ากับว่าเราอยู่ด้วยความลุ่มหลงในคาว่าความลุ่มหลงในเช่นี้คือเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ท่านจึงว่ารู้รู้อยู่กับความลุ่มหลงนี่เราพูดถึงลูกผูมัน่นตอนหลังมาท่านไม่ไม่ตามพิจนาหนา้นิตนะท่านให้จิตท่านให้จิตอยู่แต่ก็ กายกับใจอยู่กับกายก็คือหล่มอยู่กับใจก็คือดำริพุทธลมหายใจเข้าออดำริพุทธลมหายใจออกดำริโถไม่ให้มันคลาดไปจากความรู้สึกของกายนี้ของจิตนี้ไม่ออกไปเลยจิตของท่านสงบลึกมากลึกกว่าเดิมเกิดความรู้เกิดญานนณทัศน์นี่เป็นหนทางที่ดีที่งามที่ถูกต้อง เป็นญาณบอกนะอืมเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจับวิธีนี้มาตั้งแต่บัด น, นั้นเป็นต้นไปลุงผู้มันอะ่ะอืมสนับเรื่องนี้โมงนีมงน้มิตรอะไรนะั้นอยู่เบื้องหลั ง, งเพื่อเจะไปพิจารณาเกิดความรอบรู้อะไรอย่างอื่นอีกก็เป็นอีกเรื่องอีกต่างหากนี่คือการทําความสงบใจสงบขั้นไหนระดับไหนทั้งให้พิจารณาอืม ทำความรู้จักกับใจของตัวเองแล้วก็แปลกนะ้ใจของเราเนี่ยเราเอาสุติเรเอาสัมพชัญญาสติกับสัมผชัญญะรวมกันแล้วเป็นปัญญาก็ทุกอย่างมันตรลอมมันอมรวมรวมกันนะครับบางอย่างก็เป็นสมาธิบางอย่างก็เป็นปัญญาบางอย่างก็สงบอย่างเดียวสงบอยู่อย่างเดียวท่านก็พูดได้าชัดเจนว่าสมาธิ สงบด้วยพิจารณาด้วยท่านก็ว่าปัญญาแท้ที่จริงสงบเพื่อสมาธิก็คือสงบสงบปัญญาก็คือสงบแต่สงบปัญญามันละเอียดออกกว่าสามารถตัดรากตัดเงาอคนกิเลสในหัวใจของเราได้สามารถรื้อถอนกิเลสในหัวใจของเราได้โดยเหตุที่เราคล้องใจสงสัยในทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเราเกิดขึ้นจาก การ <PTSD> ที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ทาความรู้เฉพาะในขณะปัจจุบันอย่าลืมนะการทั้งใจปฏิบัติธรรมนี้กำหนดพุทโธพุทโธพุทโธก็ตามต้องทันในขณะปัจจุบันทันในขณะปัจจุบันในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้นี่ขณะปัจจุบันอะไรโผล่ขึ้นมาปั๊บป๊อะไรโผล่ขึ้นมาปั๊บป๊ทันอะไรโผล่ขึ้นมาปั๊บปั๊บทัน นี่คือปัญญาเฉพาะหน้าปัญญานี้แหละสามารถจะตัดรากตัดเงาตัดกดิเลสตัดอารมณ์ที่มันจะพึงพึงโผล่ขึ้นมาในขณะนี้ในตอนนี้เดี๋ยวนี้สาหรับปัญญาที่เราเรียนรู้กี่กี่ชั้นกี่ประโยคกี่ด็อกเตอร์ก็ตามอันนั้นเป็นความรู้อย่างอื่นทั่ ว, วไปแต่ปัญญาที่จะมาพึงใช้สอยได้ในขณะที่เราตั้งใจปฏิบัติเพื่อหยุดความโลภ ความโกรธความหลงเนี่ยต้องเป็นปัญญาในขณะปัจจุบันอย่างแท้จริงเราทดสอบได้เลยเราทดสอบในหัวใจของเราเนี่ยในขณะ น, นี้ในเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ได้พูดที่อื่นเราพูดถึงเรื่องกายของเราเรื่องใจของเราเหอไม่ต้องไม่ต้องมียกครูเลยนะเอาใส่เลยเ อ, เอาให้แซบเอาให้หนัวเลยตรง น, นี้แหละ ผู้จเจ้าพระธรรมประสงค์นั้นอ่ะเราระลึกเรากราบเราไหว้ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนอบน้อมปรองทุกเรียะทุกเวลาอืที่เพิ่งที่ระลึกของเราบุญคุณของท่านคุณที่สามารถเดินตามได้ก็คือพระธรรมนิเวงพระธรรมท่านสอนให้เราทําบุญให้ทาน ส, อ น, อ, นสอนมาที่เรื่องทานสอนมาที่เรื่องศีลสอนมาที่เรื่องสมาธิสอนมาที่เรื่องปัญญาที่ไหนที่ไหนก็ศีลศีลกับสมาธิก็ปัญญาอยู่แค่นี้เองเลย อ, อันนี้เป็นหลักเราทิ้งหลักไม่ได้หนาะเราทิ้งหลักแล้วเราหลงศีล<อ>ต้องเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานเหมือนพื้นอาคารที่เราเหยียบขึ้นมาตั้งแต่กี่ชัน้นกี่ชัน้นจนมาถึง เ, เดี๋ยวนี้ตอนนี้ต้องมีพื้นที่แข็งแรงให้เราเหยียบขึ้นมา เราถึงจะมายืนเดินอยู่ตรงนี้ได้ศีลเป็นหลักศีลเป็นหลักไม่เพิ่มเวรภัยบาปกรรมถ้าเราไม่เจริญไม่ตั้งใจเจริญศีล น, นะอยากฆ่าสัตว์อยากหลักทรัพย์อยา ก, ก, ยากระพฤติในกรรมหลงละเมิดตัวผือเงี้ยเพิ่มเวรเพิ่มภัยเพิ่มบาพเพิ่มกรรมไม่จบมันจะเบาบางหลกได้ยังไง ในขณะที่เราสํารวมที่เรื่องว่าสังวรสังวรสังวรทางตาสังวรมือพฤติกรรมทางกายไม่ข้าสัตว์ทางทางวาจาไม่พูดเท็จพูดหยาบส่อเสียดด่าทอต้อมตุน๋นหลอกลวงเนี้ยสัมรวมกายเข้ามาสัมรวมวาจาเข้ามาทําให้เรารู้จักว่าโอ้ที่เกิดของเวรของภัยของบาปของกรรม ส่วนหนึ่งมาจากกายกรรมส่วนหนึ่งมาจากวาจาคือวิจีกรรมแต่มันก็มาจากมโนกรรมคือใจนั่นแหละเอเราก็ค่อยเราเราก็ค่อยตัดขแขนงของมันเข้าไปขแขนงของมันคือที่กายกรรมมันกระสิประซาบแสดงที่ใจทะลั์ออกมาที่กายเราไม่สนองคราถือสินยั่วยาฆ่าสารรักษาพระพุทธนิกรรมเราไม่สนอ ง, นองเพราะเราตัง้งใจรักษาสินยู่ให้เราพูดเท็จพูดอย่าพูดซอเสียด หลอกลวงต้มถุนแค่นั้นแค่นั้นอะ่ะโอได้กาไรยิ่งใหญ่มหาศาลได้เท่านี้เท่านี้ไม่เอาเพราะเราตั้งใจรักษาสินมันยุให้เราตั้งใจที่จะทําอย่างนั้นเราไม่ทาแน่มันก็ถูกตัดเวนตัดั ย, ต, ดยตัดบาปตัดกรรมในขณะปัจจุบันยุให้เราหิวยาดองของเมาเนี่ยไม่กินสิ่งที่ดื่มเข้าไปแล้วทำลายประสาทสมองของเราเหล้ายาบ้า ยาบ้าเนี่รุนแรงร้ายกาจคนมันเป็นบ้าขึ้นทุกวันทุกวันมากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะมันไม่รู้จักเข็ดไม่รู้จักลาบเพราะมนุษย์อยากลองลองไปลองมาแล้วก็ติดโอ้ยสรารพัดไปดูไปดูเอาเตอะ้องนั่งรถนะเนี่ยก็เปิดข่าวให้ดูในรถเนะี่ะสรารพัดข่าวชาบ้า <laughs> มนุษย์อยู่ดีๆแล้วไม่ชอบชอบบ้าก็าบอกตรงๆเลยยาบ้ายาบ้ายาบ้าแน่ประสาทสมองเราดีๆนะ พอเราใส่ไปปั๊บไม่รู้แอลโกอฮอล์เคมีอะไรมันไปกดทับเส้นประสาทสมองของเราประสาทสมองดีๆมันก็วิกลวิการนะ่ะมันถูกสิ่งเหล่านั้นย้อมสมองเนะ่ะสมองดีๆพิการไปแล้วแช่งการไปแล้วจิตจะดีขนาดไหนระดับไหนในเมื่อมันเมาแล้วมันทําให้จิตดวงนั้นวิกลวิการไปด้วยขาดความยั้งคิดขาดความยับยั้ง ขาดความสำเนียกใคร่ครวนไตรตรองตกอยู่ในฐานแห่งความประมาทเนื้ศีลห้ามันไม่เรื่องเล็กน้อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งห้าข้อนี่แหละนี่เป็นพื้นเป็นฐานให้เราเหยียบเหยียบเพื่ออะไรเพื่อลดเลิกละเวนภัยบาปกรรมอย่าลืมนะโลกมนุษย์เราถ้ามัเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เราจะอยู่ด้วยเวนด้วยภัยด้วยบาปด้วยกรรมรับู้เถอะในสังคมที่วุ่นวาย อยู่ด้วยเวด้วยภยัยด้วยบาปด้วยกรรมอย่างนี้แหละนี่ให้เราเข้าใจเรื่องศีลรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เท่ากับคนคนนั้นน่ะรักษากรรมทางกายของเราบริสุทธิ์รักษากรรมทางวาจาวิจีกรรมของเ ร, รอาาเราบริสุทธิ์โอ้น้าภาคภูมิใจโอ้ยเราบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ด้วยกายกรรมศีลอยู่ในมือมีเจ็ตตนาเต็มร้อยไม่สมารถไม่ ถ้าวไม่ลงละเมิดแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งทำให้เรามีกําลังใจภาคภูมิใจแน่ศีลนอกจากนั้นแล้วก็ความโงอกของเราหนะมันมันยุให้เราโลภเราโกรธทันหาราคะอยู่เรื่อยๆมันนึกมันคิดอยู่ในจิตในใจน่ะทําให้เราเจริญสมาธิอืมสมมุติเราไม่เจริญสมาธิจิตของเรามันมันคิดมันปรุงแต่เรื่องเหล่านี้พอมันคิดมันปรุงเต็มอัดแน่นมันก็ทลักออกมาที่กาย ลากออกมาที่วาจาทีนี้กายเรารักษาสินวาจาเรารักษาสินมันดิดดิ้นอยู่ที่ใจพุทธเจ้าท่าให้เราเผานาปลุกจิติปลุกสัมปชัญญะของตัวเองให้ตื่นรู้กากับเรื่องงานพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ ด, ด้วยเจตนาที่เราตั้งใจดําริอยู่อย่างนี้มันเป็นอารมณ์ที่เด่นชัดกว่าอารมณ์อย่างอื่นที่จะมาแทรก้วยใจของเรา มันก็อาจิตของเราไปใช้อย่างอื่นไม่ได้มันก็อยู่แตบอยู่แต่าอารมณ์ที่เป็นบทธรรมทําให้ใจของเราสงบอยู่แต่าอารมณ์ที่เป็นบทธรรมอารมณ์คําว่าพุโทโธพุธโทโธเนี่ยมันไม่ใช่อารมณ์กลามนะมันเป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมพระพุโทโธพุธโทโธเนี่ยที่เราทําตามเยี่ยงอย่างครูบาอาจารย์ท่านบอกทสอนเป็นวิธีการเป็นเยี่ยงอย่างเป็นๆๆเยี่ยงอย่างพอเราทํำไปแล้วด้วเหตุที่เราทําถูกวิธี ใจของเราก็จะเริ่มสงบสงบสงบสง บ, สงบจนเกิดความรู้สึกว่าจิตของเราสงบแนบแน่นมั่นคงเป็นจิตตื่นเป็นจิตรู้เป็นจิตเบิกบานอันนี้เป็นเนื้อหาของพุทธแท้ทีแรกเป็นพุทธโดยแบบอย่างเป็นวิธีการเป็นแบบฝึกหัดก็ททำแบบฝึกหัดนี้แหละเป็นแบบฝึกัที่ถูกต้องทาไปทาไปจิตสงบนั่นคือพุทโธแท้แหละติ กลายเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าโอ้พระจิตของพระพุติองค์เป็นพระจิตที่ตื่นที่รู้ที่เบิกบานคำว่าเบิกบานก็คือเป็นชื่อแทนความสุขนะัข่นแหละคาว่าเบิกบานตื่นรู้เบิกบานเราลองทำความรู้สึกอยู่ยเฉพาะกายของเราเฉพาะจิตของเราในขณะ น, นี้ในตอนนี้เดี๋ยวนี้ให้มันตื่นให้มันรู้เราเกิดความรู้สึกยังไง อันนี้ชัดเจนในขณะที่เรากำลังทําอยู่สดๆร้อนๆเนี่ยเพราะเรื่องทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันเรื่องที่มีอยู่ในนี้ทั้งหมดในใจของเราทั้งหมดในกายของเราทั้งหมดไม่ได้ยกเมฆมาจากไหนเลยเราได้ยินได้ฟังเราก็ย้อนมาดูของจริงกายของเราตื่นจิตของเราตื่นรู้เบิกบานพร้อมกับไม่ทิ้งสติไม่ทิ้งสัมผััญญาและก็ไม่ทิ้งงานทิ้งงานไม่ได้นะ แต่พอเราทําไปทําไปทําไปจิตมันอิ่มเหมือนกันนะอิ่มคําบริกรรมนะ่ะพุทโธก็ไม่ว่าจิตก็ไม่ไปไหนแท้ที่จริงเอาจิตมาว่าพุทโธเพื่อต้องการให้จิตของเราเชื่องชินเกาะอยู่กับอารมณ์ที่เป็นพุทโธเนี่ยทําไปทําไปทําไปแล้วมันอิ่มถึงเราไม่ดําริพุทธไม่ดํมริโทจิตก็ไม่ไปไหนนี่จิตสงบมีปีติมีความสุข จนทิ้งวิตกวิจารคาว่าทิ้งวิตกวิจารก็คือทิ้งคำดำริพุโทโธนั่นแหละทิ้งลมทิ้งคำดำริพุโทโธที่เขาเรียกว่าทิ้งวิตกทิ้งวิจารคาว่า <c oughs> วิตกวิจารณวิตกคือความตรึกวิจารณคือความตรองคือประคองคำที่เราตรึกนั่นแหละคาว่าตรึกก็คือนึกก็คือคิอคอคดคือปรุงแต่ปรุงสิ่งที่เป็นธรรม ปรุงขึ้นมาแล้วก็ประคองปรุงขึ้นมาแล้วประคองเป็นสังขารจิตพุโทโธพุโทโธนี่ก็คือปรุงแต่ปรุงสิ่งที่เป็นธรรมปรุงเข้ามาแล้วก็ประคองพร้อมประความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่เราทําอยู่ในขณะปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเดี๋ยวนี้ขณะนี้อืมทินเรียกว่าวิตกวิจารวิตกความตึกวิจา ร, คาร์ความตรองคือประคองประคองงาน เอาสติมาประคองเอาสัมผชัญญะมาประคองเอาความเพียรมาประคองเอาความพยายามมาประคองเอาวิริโตสาหะอะไระอะไรจะล่ำล้อมรวมลงมาในนี้ทั้งหมดอันเป็นที่รวมของบา ร, รมีของอินทรีย์ที่ท่านว่าบา ร, รมีอินทรีย์อินทรีย์จนทําให้จิตของเรานี้แก่กล้าจิตของเราได้รับความสงบรวมลงมาในนี้ทั้งหมดจิตของเราได้รับความสงบ ทิ้งวิตกทิ้งวิจาร์ไม่ไปไหนนะอิ่ม ม, ม, มันอิ่มอิ่มอารมณ์เหมือนกับร่างกายของเราบริโภคอาหารอิ่มอาหารใส่กระเอาะไม่ได้หรอกอิ่มแล้วอารมณ์ก็เช่นเดียวกันอืหายหิวเมื่อเราให้เขาบริโภคอ า, ารมณ์จนอิ่มเขาก็ไม่หิวคาว่าหิวมือจิตมันหิวอารมณ์จิตมันออกนึกคิดนู่นนี่อะไรตอะไสรสารพัดเนี่ยย้อนเข้าไปที่จิตของเราที่มันออกนึกคิดนู่นนี่อะไรตอะไสรสารพัด คือจิตหิวอารมณ์จิตมันต้องการอารมณ์จิตมันจากอารมณ์นั่นแหละคือการสร้างออกของตัณหาจิตหิวอารมณ์พอมันอิ่มอารมณ์แล้วมันก็อยู่มันก็สงบในความสงบนั้นมีปีติมีความสุขจิตมันถึงวิตกวิจารณ์มันก็เกาะปีติ เกาะปีติเออบิ่มทั้งกายเออบิ่มทั้งใจแต่มนันมีความสุขละเอียดมากไว้นั้นทิ้งปีติเกาะความสุขทิ้งความสุขนิ่งเฉยอยู่เฉพาะตัวละเอียดลึกเข้าไปที่แท้จริงเป็นอย่างนั้นจิตของเราดีขึ้นจิตได้รับความสงบผู้ที่ทำแล้วเป็นแล้วก็ไม่ลองใจไม่สงสัยจากนั้นแล้วก็ แล้วแต่จริตนิสัยของใครจะออกรู้ออกเห็นจะวิจิตพิสดารยังไงก็แล้วแต่มันจะมีจะเป็นนี่เราไปจํากัดแก่กันและกันไม่ได้หรอกคนนั้นจํากัดคนนี้คนนี้จํากัดคนนั้นไม่ได้นิสัยแตกต่างกันมากจริตจิตใจนิสัยของคนเราขึ้นชื่อว่าผู้รู้จิตของเราโอ้ยมันวิจิตพิสดารจริงๆเรา ต, ตั้งใจภาวนาแล้วย้อนมาดูจิตของเรายูเครื่องจิตของเราอย่างเดียวเราจะเห็นความวิจิตพิสดารของมันเป็นวันเป็นคืน เป็นเท่านั้นเท่านี้เราก็ดูเข้าไปถี่ละเอียดอยู่ใน น, นี้ไม่มีอะไรอยู่ก็ยู่ก็กจิตนี่แหละยอนไม่ดูแค่จิตอ่ะหรือไม่มีอะไรก็ยอนไมดูแค่จิตนั่งไปมโนไม่มีอะไรยอนมาดูอยู่กค่จิตนั่นแหละพิจรารณาอยู่เฉพาะจิตปลุกตัวเองให้ตื่นรู้อยู่ตลอดเนี่ยองเงี้ยไม่ให้มันสร้างอารมณ์ที่ชั่วร้ายขึ้นมาเพื่อจะอาจิตของเราไปหาเรื่องไปหาเรื่องอไปไปไ ป, ไปหาเรื่องเก่าอยู่แล้ว เรื่องทุกข์เลือดเยิ้มกลระใหม่แล้วไปหาเรื่องใหม่ส่อเข้าไปไปเจอโน้นเจอนี่อ้าวเลือดเยิ้มกลระใหม่แล้วเลือดเยิ้มก็คือได้ความโลภกลับมาได้ความโกรธกลับมาได้ตัญหาราคะกลับมากลับมาจะไอ้จิตที่มันส่งไปนั่นน่ะมันส่งไปหาเรื่องนั่นคือเลือดเยิ้มกลับมาหลงตาวันว่าเลือดเยิ้มกลับมาอยู่ดีมันดีไปหาเรื่องเลือดเยิ้มกลับมา เพราะจิตมันสงบจิตมันสุขมีความสุขมีความอิ่มเราต้องการดูข้อเท็จจริงอืทําไมความโลภจึงเกิดทําไมความโกรธจรึงเกิดทําไมตันหาราคะจึงเกิดมาศึกษากระบวนการของมันความโลภเกิดขึ้นด้วยกระบวนการเป็นไง อ, อะไรมาศึกษาก็ใจนี่แหละเครื่องไม้เครื่องมือชั้นเยี่ยมเนี่ยตัวเดียวนี่แหละต้องการจะหาอะไรต่วอะไรอยู่ในห้องเนี่ยทํามืดตึบนี่ก็มองไม่เห็นอะไรแล้วแหละ กัญชาปัญญาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดซึ่งเปรียบเส ม, มือนแสงไฟต้องการจะหาอะไรจะรือ้อจะฟืน้นจะนูน้นจะนี้จะหยิบจะช่วยจะอะไรต่อเห็นหมดนี่พอทําความสงบแล้วก็พลิกฟืน้นรู้ดูความล้มหลงของใจของเราความรอบเกิดขึ้นด้วยเหตุไรใดเกิดขึ้นด้วยเหตุที่เราขาดสติขาดสัมผัจัญญะขาดปัญญาใช่ไหมแล้ว ทดสอบแค่ตาเราเห็นรูปตาเนี่ยก็เป็นวัตถุที่เป็นอวัยวะภายในอวัยตนะภายในรูปเป็นอวัยตนะภายนอกแต่ที่จริงตาก็เป็นตารูปก็เป็นรูปนะแต่ใจเป็นผู้เห็นใจเขาทําหน้าที่แค่เห็นเท่านั้นเองถ้าให้มันเลยเถิดไปเห็นว่ารูปดียึดเข้ามาเนี่ยเนี่ยตัณหาสวมรอยเข้ามาแล้วเห็นรูปไม่ดีพลักออกไปฮะตัณหาสวมรอยอีกแล้ว เอ๊ก็เรามีใจแใจเราทออําเฉยยังไงในระหว่างที่เราไม่ได้เจริญสมาธิเจริญปัญญาอยู่เราทําประโยชน์กับตากับหูกับจมูกกับเลี้ยกับไขกับใจของเราเราไม่ปฏิเสธแต่เราต้องการเจริญธรรมเราต้องการซรข้อเท็จจริงของมันให้เห็นว่าตาเป็นตาให้เห็นว่ารูปเป็นรูปให้เห็นว่าใจเป็นใจสักเที่ว่ารู้นี่ความยินดีจากเห็นรูปยังไม่เกิดนะ ความยินร้ายจะเห็นรูปไม่เกิดอันนี้เป็นตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวการเจริญอยู่อย่างนี้ประกอบไปด้วยสมาธิของเราก็ดีสัมรชัญญะปัญญาในขณะที่เราเจริญเท่ากับว่าเราเจริญปัญญาตัวสมาธิกรโจอยู่นั่นแหละตัวสติก็รวมจะล้อมล้อมรวมอยู่ในนั้นแหละรวมครองอยู่ด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละ กิริยาความภาคความเพียรควา ม, วดมอดความจนอยู่ด้วยกันทั้งหมดจะไปแยกจะไปแยกออกให้ให้ให้มันทะเลาะกันเองมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ใจนั่นแหละมันไม่ได้หลบมันไม่ได้มันไม่ได้หายไปไหนอะความรู้ทั้งหลายทั้งหมดที่เราสะสมมามันไม่ได้เหินเหือดแห้งหายไปไหนเหมือนความรู้ที่เราเรียนกอไก่กอกลามาจนกีตพิหมหาด็อกเตอร์เดี๋ยวนี้เนะี่ยเราไปฉลาดความรู้เกี่ยวเรื่องนุนหลักการนุนแล้ว ก็ไก่ก็กาสตรีสรีไปไหนมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละสิลันจะล้อมล้อมรวมกรวมลงมาทําให้เป็นพื้นเป็นบาเป็นฐานมาทําให้เรามีความรู้ขึ้นโดยลําด <Goodnight> ับอย่างนี้แหละเี่ยคุณสมบัติของใจของเราเช่นเดียวกันการที่เราจะแยกให้เห็นว่าตาเป็นตารูปเป็นรูปอความรู้สึกดีใจอันเกิดจากตาเห็นรูปเราเคยสังเกตสังการไหมเราเคยพิจารณาไหมถ้าเราขาดการพิจารณา ใช้อายจินกรรมที่เชื่องชินอยู่อย่างนั้นเห็นแล้วก็ชอบมาที่กสหาโดยซ้ำไปรูปไหนดีๆไหมียวแป๊บรูปที่ดีมันก็แทงใยคนนะแปลกนะธรรมชาติของมนุษย์นี่แปลกมันเห็นสิ่งที่ดีมันรู้ว่าดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ไม่เสมอไปบางอย่างไอ้คนนึงเห็นว่าดีไอ้คนนึงเห็นว่าไม่ดีมันต่างกันนะขึ้นอยู่กับความสั่งสมการชอบใจอืความชอบใจความไม่ชอบใจ นี่เป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาย้อนเข้ามาเราได้รับทราบตัวอย่างเกี่ยวกับตายอย่างเดียวอืความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดยินดีกับสุขไม่เกิดยินร้ายกับทุกข์ไม่เกิดหมายความว่าตัญหามันไม่ได้แสดงตัวที่เวทนาความยินดีความยินร้ายมันเป็นตัวเวทนาอืแต่ไม่ได้มีความยินดีมันได้ยินร้ายตากระทบรูปแต่ที่จริงเกิดเกณฑ์เกณฑแห่งการกระทบ มันเห็นว่าดีเห็นว่าไม่ดีอันนี้เป็นเกณฑ์ของมันโดยเหตุที่เราเจริญความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดทันหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาติไม่เกิดแต่ลักษณะของใจของเราคนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปเกิดโลกใหม่เราสะสมไปอย่างนี้เราต้องการจะตัดภพตัดชาติตัดวัฏฏสงสารตัดตรงนี้แหละ จำหาตัดที่ไหนที่โลกไหนไม่มีตัดตรงนี้ตรงใจของเราเดี๋ยวนี้ตัดความยินดีตัดความยินร้ายเอาอะไรมาตัดสมาธิหนุนปัญญาปัญญาพิจนาคลี่คลายสดสองรู้สัตว์จะทำที่แท้จริงแน่ในขณะที่เราเห็นความยินดีเกิดขึ้นเห็นตัณหาเกิดเห็นเป้าก็ดับเห็นความยินร้ายเกิดเห็นตัณหาเกิดตัณหาดับเมื่อตัณหาดับ อัตตาตัวตนมันก่อตัวมาไม่ได้อยจะลืมนะอัตตามันตรงข้ามกับอนัตตาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้อนาตตาอนัตตาอนัตตาแต่พวกเรามองเห็นเป็นอัตตาหมดพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอนัตตาอนัตตาตราบใดยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดตัณหาราคะทั้งหลายทั้งปวงไม่เกิดนั่นอนัตตาโดยกฎเกณฑ์โดยหลักธรรมชาติของมันเองอืมนั่นคืออนัตตาโดยธรรมชาติของมันตราบใด อัตตาตัวตนโผล่โอ้ยมันละเอียดขนาดไหนอัตตาตัวตนเราเคยเราลึกย้อนดูเห็นอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราไหมคําว่าอัตตาตัวตนมันโผล่นี้มันไม่มีข้อนมีแท่งมันไม่มีตัวมันไม่มีตนมันเป็นสภาพแค่มายาเท่านั้นเองลองดูไปให้เจนชัดเจนเนียหันสอดสงสัยเข้าไปให้ชัดเจน มันจะกระจายละลายหายไปเลยนะลองดูให้ชัดเจนดิลองดูให้ชัดเจ น, อ า, เจนอารมณ์เหล่านี้มายาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเหมือนพยับแดดเหมือนต้นกล้วยเหมือนหยาดน้ำค้างเหมือนพยับแดด ม, มันหลอกตามันลวงใจเหมือนต้นกล้วยเห็นว่าเป็นก้อนเป็นแท่งลองไปฉีกดูทีฉีก ขีดก้านกล้วยเนะี่ยขีดไปขีไปปอกไปปอกไปปอกไปหายหมดไปทั้งต้นเลยไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแต่ความรู้สึกที่เราเคยยินดีพอใจกับความสุขเวลาเราต้องการความสุขเพิ่มมุน่นพราะหนึ่งมันมีนมตัวมีต้นเพราะเราต้องการเพราะเพราเรายินดีเวลาความไม่พอใจมาปรากฏเพรหนึ่งมันเป็นตัวเป็นตนแท้ที่จริงดูเข้าไปให้ชัดๆคลี่คลายเข้าไปที่อารมณ์แล้วมันจะกระจายและลายหายไปเลย ดูไปอย่างนี้เราจะเห็นข้อเท็จจริงของระบบของใจของเรามีแค่ตากับรูปนะเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาถ้าทัญหาเกิดมันยึดมาตั้งแต่ตายึดมาตั้งแต่รูปยึดมาตั้งแต่วิญญาณคาว่าวิญญาณคือความรู้เกิดขึ้นทางตานะวิญญาณกับผัสสะคือการกระทบนี่มันเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน เราเรียกวิญญาณก็ได้รเรเรียกพัทธะก็ได้พัทธะคือกระทบก็รูปธรรมมันไปกระทบนามธรรมนามธรรมไปกระทบรูปธรรมเกิดวิญญาณเกิดพัทธะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาอย่าลืมหลักเกณฑ์นะที่พระเจ้าทานทรงวางเอาไว้หลักปฏิจจสมุปบาทอันนี้คือหลักเหตุผลที่ชัดเจนที่พระพุทธเจ้าททรงพิจารณาอในคืนที่ผมได้ตรัสรู้นั่นแหละ ทรงพิจารณาเรื่องหลักของปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุเห็นปัจจัยเหตุปัจจัยมันตะล่อมล้อมรวมกันมาจนกลายไปหนึ่งเป็นตัวเป็นต้นพอเราไปแยกแยะด้วยเหตุด้วยปัจจัยแยกไปแยกไปแยกไปหายเกลี้ยงไปเลยหายเงียบไปไหนจะม่รู้ท่านว่าเป็นสัจธรรมที่ไม่มีตัวตนอะไรเป็นสัจธรรมที่ไม่มีตัวตนตัณหาแนะงงอยู่แล้วตัณหา ดูมาที่ใจของเราตัญหาคือความอยากความดิดดิ้นในใจของเราความซชียวทยานในใจของเราตัญหามันนี้อะไรมันมีก้อนเป็นแท่งเป็นตัวเป็นต้นที่ไหนความอยากของใจของเราดูไหมเห็นสภาพความอยากภายในใจของเราเนี่ยพอเราดูมาแล้วเราเห็นในขณะที่เราใช้สติใช้ปัญญาดูเห็นสังขารที่เป็นฝ่ายตา่ํามันแสดงตัวให้เป็นที่ปรากฏ บางครั้งมันปะทะกันร้าบไปข้างหนึ่งเลยนะบางครั้งเนี่ยมันปะทุมันปะทะกันร้าบไปข้างหนึ่งเลยถ้าเราอยู่ในท่าทีที่เราตั้งใจทํานะมันจะเห็นเพาฉระบบระเบียบกรอบในการทํางานของกายของเราของใจของเราจึงเป็นเรื่องสําคัญเราไม่ลงเรื่องอื่นเราลงเรื่องเหล่านี้ลงเรื่องกายของเราเรื่องใจของเรานี่เองเวลามันไปสัมผัสสัมพันธ์กิเลสเกิดยังไง เิเลสไม่เกิดเป็นเหตุให้ทำเกิดทำเกิดยังไงมันทำให้เรารู้ทำให้เราเข้าใจนี่ลองลองคลี่คลายลองกระจายเข้าไปดิมันมีแต่จะทำมีมันมีแต่จะจุดประกายให้เราได้รับความรู้ความเข้าใจและถ้าความฉลาดในภายในรูเหมือนทั้งกายทั้งใจทั้งอารมณ์ทุกอย่างสรารพัดเนี่ยจิตของเรามันจะทะลุปุกปลงไปหมดเลยปัหาคือความอยาก ท่านไปแยกกันไปอีกการมันท่านหาพระวะ่าท่านหาที่พระวะ่าท่านาแยกตามความอยากความละเอียดคล้องมันการ ม, มาันตัาหาคือติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ล่วงไปแล้วนี่คือวัตถุกรรมทั้งหลายทั้งปวงวัตถุแห่งความใคร่ที่ท่าเรียกว่าวัตถุกรรมกิเลสแห่งความใคร่ท่านเรียกว่ากิเลสกามกิเลสกามก็คือความอยากภายในใจของเรา อยากเป็นเหตุเพื่อความใคร่อยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้นุ่นอยากได้นี่อยากได้สัมผัสอะไรต่อไรสรรพัดกะอามันตัณหาเพราะว่าตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่ด้วยเหตุที่ละเอียดกิเลสมันมีหลายระดับหลายชั้นการบรรลุธรรมเพื่อละกิเล่มันจึงหลายชั้นชั้นพระโสดาชั้นพระสกิทาขาชั้นพระนาคชั้นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นกิเลกก็มีทั้งกิเลส เครื่องไม้เครื่องมือที่จแก้กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบก็ชําระได้โดยศีลกิเลสอย่างกลางก็สงบระงับได้ด้วยสมาธิกิเลกกิเลสอย่างละเอียดก็จะมายำสับยำกันอยู่นั้นนะ่ะคือปัญญาเนี่ยเื่อนเครื่องไม้เครื่องมือมที่จะมาสับยำกันกับกิเลสตัวความอยา ก็คือตัณหามันแสดงความอยากเนาไว้ใจของเราผลปรากฏจากความอยากไปเห็นสิ่งมันออกรู้ออกเห็นเห็นสิ่งที่ดีก็ยึดเข้ามาสิ่งที่มันดีก็ผลักออกไปทั้งสองอย่างนั้นด้วยอำนาจของความหลงขาดการใช้สติขาดการใช้ปัญญาเราพยาพยามจุดประกายตรงนี้รู้ให้เข้าใจอันนี้เป็นต้นต่อของผู้ตั้งใจนั ก, นกตั้งใจนักปฏิบัติที่จะมาเรียนรู้ที่จะมาเข้าใจธรรมะเรื่องเหล่านี้นะครูบาอาจารย์เล่าเรื่อง การเจริญสมาธิเราฟังอจิตสงบปับ๊บออกรู้ออกเห็นโน่นนี่อะไรอะไรวิจิตวิสัณฯอู้ยเรานั่งแล้วไม่เห็นไม่เห็นเลยองค์ไหนพูดแต่ก็เห็นอย่งงางนั้นเห็นนี้มันเล่าให้เราฟังเราไม่เห็นเลยอู้ถอใจเราอย่าไปดูตามไอ้ที่เรามองไม่เห็นเรารู้สิ่งที่มีเป็นประจักรปัญญาในในกายของเราเดี๋ยวนี้ในใจของเราเดี๋ยวนี้รู้มันเกิดเดี๋ยวนี้รู้มันตั้งอยู่เดี๋ยวนี้รู้มันดับไปเดี๋ยวนี้ ถ้มีสติปลุกเตะให้ตือนรู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาตลอดมันจะตื่นรู้ตลอดนะไม่งั้นไม่งั้นอารมณ์กิเลสมันจะงับไม่ได้โดยเหตุที่เราอยู่กับมรรคตลอดเนี่ยสมุทัยมันแสดงตัวออกมาไม่ได้ตัณหาคือสมุทยัยเป็นสมุทัยที่ไม่มีตัวตนเราย้อนไปดูมันอ่ะมันจะคลี่คลายกระจายหายหมดเลยลองดูก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้ลองทดสอบดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ โดยที่เราทำตัวอย่างถูกต้องอย่างนี้ทําไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนมันชัน้นวิชํานาญจนมันช่ำชองจนมันแก่กลา้าจนมันเป็นเองนั่นน่ะทําถึงขีดถึงขั้นไม่ใช่ทําว่าไม่เห็นเป็นทําอว่าไม่เห็นเป็นทำไม่ถึงขีดถึงขั้นมันยังไม่เป็นก็อย่าไปท้อใจทําความพอใจทําความภาคความเพียรอยู่อย่างนี้แหละอย่าไปหาท้อใจในเมื่อเรารู้จักหนทางที่ดีที่งามที่พุทธิยถาท่านสอนแล้วอย่าไปทอดทิ้ง อย่าไปละอย่าไปวางนี่เราพูดถึงวิธีพิสิท์าน่ะตัณหาการมตัณหาภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นเพราะว่าตัณหาอยากเป็นไอ้ความอยากเป็นนี่มันละเอียดลึกเข้าไปอีกนะความอยากก็คือตัณหาที่ภายในใจของเราอยากเป็นนายกอยากเป็นสสอยากเป็นเทศมนตรีอยากเป็นอะไรอะไรสารพัดอยากเป็นตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้คือความอยากเป็นเอ้าแล้วจะไม่ให้เป็นเหรอ ฮะเอเป็นยังไงไม่อยากพระยนวิถีทำกับวิถีโลกมันจริงแตกต่างกันอืมวิถีโลกก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเจริญธรรมไปด้วยทำก็มันก็ทํามันก็ศัพท์ว่าทาได้จริงจริงทำศักพท์ว่าทาได้จริงๆอ ร, รงๆอยใจพิจารณาให้เกิดความสลดเกิดความสังเวชถึงจิตถึงใจจิตเข้าถึงธรรมชาติสามารถส่งประงับดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริง โอ้เราดูเต่ยสัน ต, ติมหามาต์เนี่ยเมื่อกี้ไปนั่งดูเห็นหนังสือสัน ต, ติมหาอมาต์เป็นอามาตย์ของพระเจ้าปะเสนทิโกศน์ท่านนายไปปราบนู่นเจลิยจนที่ชนบทไปปราบเสร็จพระเจ้าปเสนทิทโกศนยกสมบัติให้ครองเจ็ดวันโอ้โเจ็ดวันนี่เมาแต่ตลอดเลยสัน ต, ติมหาอมาต์เนี่ยนะอ่า พระเจ้าประเสียนที่กษัให้เป็นพระราชาเจ็วันวันนั้นเถอะพร้อมกับมอบนางรำอะไรที่สวยงามที่สุดนะถูกใจที่สุดให้ฟ้อนให้าตาไม่ดูแต่กูแบบนางนี้ก็มีแต่ฟ้อนกับฟ้อนเนี่ยไม่อยากกินข้าวกินน้าอะไรมากในที่สุดก็เป็นลม <c oughs> เป็นลมตายต่อหน้าเลยมาายต่อหน้าอามามหาทัชนสถิมหาอามากำลังเมาเล่าอยู่เนี่ยเกิดโสดใจสังเวชใจสางเมาขึ้นมาทันที คิดพิจารณาปรงพิปัสนาเอา้าเป็นชาวบ้านเป็นค ร, รวาเนี่ยเป็นเมตทัพไปรบทัพจับศึกได้มันลุกมาเนี่ยพุทธยาท่านสอนอย่างนั้นน่ะทำใจได้ตามนั้นน่ะไ้ลุกมลุกเป็นพระอราหารันต์เนี่ยเนี่ยยุคนั้นในสมัยนั้นน่ะเมาแต้เลยนะเพราะพระยาภาษณนาฏกุศลมอบให้ปกครองประเทศเจ็ดวัน ก็ชอบอะไรต้องการอะไรหานาง ง, งามที่สุดให้มีความสุขเมาแต่ตลอดเลยเนะนี่ยนี่ในในที่สุดสด้วบุญข้างในเขาดีอ่ะบุญข้างในก็ดีเกิดสลดสังเวชใจจากนางระบำพีงามที่สุดเนะี่ยตายต่อหน้าต่อตาสลดใจขึ้นมาเนี่ยลรงอันนี้แข็งทุกข์ันอนาตตาตอนนั้นเนี่ยหลุดไปเลยเียเราประมาทไม่ได้แล้วมั่ง่ายกันไม่ได้แต่เรื่องของจิตของเราของท่านเนี่ยเอ่ เพยาะฉั้นเราทำไปทาได้แต่ทำยังไงอัตราตัวตัวมันจะไม่โผล่ขึ้นมานี่ภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นความอยากมีอยากเป็น่ะนมละเอียดเข้าไปอีกนะต้องรู้ทันมันทำอะไรก็รู้ตาแหน่งก็ทำไปรู้หนะ้าที่ก็ทำไปอันไหนที่มันอยู่นอกเหนือไปยากตาแหน่งอยู่นอกเหนือไปยากหน้าที่เราก็เก็บเงี่ยนเรียบร้อยดี ไม่ใช่มีอำนาจอย่างเดียวเราเพิเวอร์ไปหมดทุกอย่างทุเรื่องไม่ใช่เอาใช้เฉพาะในเรื่องในราวในหน้าที่ของเราแหน่อยังที่เกิดประโยชน์ <Yeah. S 1> <laughs> พูดไปแล้วมึงกระทบ <laughs> เรื่องของกิเลสกับธรรมะพอพูดธรรมะไปแล้วมันต้องกระทบกิเลสไม่อย่างนั้นจะเอากิเลส ช, ชนะกิเลสได้ยังไงชนะไม่ได้พูดไปตรงไหนถูกกิเลสพูดไปตรงไหนถูกกิเลส พูดตรงไหนตรไหนถูกเราพูดตหน ถ, ถูกเราถูกเราถูกแต่เราในสุดแก้อะไรไม่ได้สักอย่างไม่กล้าตัดสินใจเนี่ความอยากมีความอยากเป็นความอยากไม่มียากไม่เปลีนน่ยนวิภาะตัณหาละเอียดลึกเข้าไปอีกเนี่ยกิเลสภายในใจของเราเนี่ยส ม, มุทัยส ม, มุทยยัยเนี่ยเอียดลึกเข้าไปอีกเช่นอย่างอะไรวิภาวะตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เปลี่ยนมันฝังยากนะอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอะไรอ่ะ มันต้องแก่ไม่อยากแก่มันต้องเจ็บไม่อยากเจ็บมันต้องตายไม่อยากตายอ๋อไม่ยินดีในแก่ในเจ็บในตายแต่เรายินดีในการเกิดเนีมันตรงกันข้ามอีกถ้าไม่มีเกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายท่านให้พิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดากันบอกแล้วสเ บ, บสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตายแล้ว กำลังตายและก็จะตายด้วยตายแล้วด้วยกำลังตายด้วยและก็กำลังจะตายอีกด้วยนักเทวิอิทธะสร้างสยเราทั้งหลายไม่สงสัยเรื่องความตายพิจารณาใจมันยอมรับอยู่อย่างนี้พิจารณาให้ใจมันยอมยอมรับอยู่อย่างนี้นี่ไม่ห่วงใยอะไรอ่อนเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตาย ปิภาวะทันหาเป็นการปลุกจิตปลุกสติของตัวเองให้ตื่นรู้แปลงนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นโทษของการเกิดวิธีการของพระองค์ทํายังไงจะไม่เกิดนั่นคือวิธีการของพระองค์ทํายังไงจะไม่เกิดนี่แหละคือวิธีการที่ทําให้ไ ม, ไม่ไม่ให้เกิดควาเป็นบารมีอย่างยิ่ ง, ย, งยวดยิ่งใหญ่ไพศาลมากมายหมายหมาศาล ถ้าเราพิจารณาตามพระองค์ไปแล้วนะ่ะกับที่พวกเราตั้งอกตั้งใจทใําไห้ชิบเจ่อยเล็กน้อยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลำบากอะไรกับที่เราทําแค่นี้กับพระองค์ไปนั่งอดพระคริยาหารอย่เหลือแต่นังหมกระดุงมาพิจารณาลองดูโอ้ความีิเกยียรของเราเนะี่ยตกร่วงหายไปหมดแล้วแหละเอาไปเทียบกับความยากลําบากของพระศาสนาเนี่ยนั่นนะกว่จะได้มาสอนมาบอกมาสอนพวกเราพวกเราสบายมากเลย นะปรุงให้เต็มพร้อมเพื่อนจะหยิบเข้าปากแล้วเราก็ไม่อยากหยิบนี่ถ้าจะพูดตามภาศาสดาที่ท่านท่านท่านพูดมาเตรียมพร้อมไว้เบ็ดซัพท์หมดแต่เธอต้องทําเอาเองอาหารอยู่เฉพาะหน้าเต็มหน้าเธอเธอต้องหยิบเข้าปากเองกลืนเองแด้ให้ได้รับความเยิ่มน้ํำซ้ำรานเองธรรมะที่ปรองทรงสอนก็เช่นเดียวกันวิพภะตัณหาวิภพภะตัณหาอีกอย่างหนึ่งก็คือติดใจในใน ในสังโชน์เบื้องเบื้องสูงสังกั์เบื้องต่ำกรรมฐานกรรมกรรมรูปราคารูปราคะมานะอุทาจฉอวิชาที่ทว่าสังโยชนมีเป็นวิภาวะตัณหาคือติดในรูปรูปสมาบัติติดความสุขในรูปสมาบัติติดความสุขในอรูปสมาบัติ เพราะมันมีตัวติดมันมีผู้ติดตัวผู้ถือตัวถือว่าเป็นตัวนั่นแหละตัวนั้นอ่ะตัวมานะมานะตัวถือความถือตัวความถือตัวนี่มันมีโทษตั้งแต่พื้นพื้นไปจนถึงสูงสุดวิมุตติภิภานนะไอ้ตัวถือตัวนี่เนี่ยตั้งแต่ธรรมะชั้นพื้นๆธรรมดาเนี่ยไอ้พวกเราอยู่ด้วยกันที่เราผิดข้องมองใจกันก็เพราะถือตัวถือเป็นนู่นถือเป็นนี่ถือเป็นนี่ถือเป็นนั้น ในขณะที่เราในขณะที่มันถือเราเคยย้อนมาดูไหมมันต่อย้อนมาดูมายาเรื่องเงามันพางให้เราหลงอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้นี่คือความหลงมีมนะอยากต้องการความสุขแหมยังมีมณะต้องการความสุขมีมณะไม่ต้องการความสุขไม่ไม่ต้องการความทุกข์ติดในรูปปสมาบัติติดในอรูปปสมาบัติมณะปุถัมจะอวิชชา แต่ลงตาท่านพูดถึงว่าอุทธัจจะอุทธัจจะในที่นี้หมายถึงปรุงเจาะหาช่องทางที่จะเล็ดที่จะรอดที่จะออกไปให้ได้เนี่ยหมุนอยู่กับความภาคความเพียรเนี่ยไม่หยุดไม่ย่อนนะตก็เรียกว่าอุทธัจจะอุทธัจจะมันไม่ใช่อุทธัจจะของนิวรณ์ห้าไม่ใช่อันนั้นอุทธัจั ก, กกุจจะฟุ้งปรุงจนรําคาญให้หยุดมันไม่หยุดจิตตรงนี้มันทํางานไปโดยโดยโอัตโนมัติของมันจนฟุ้งซ่านจนรําคาญแต่อันนี้ฟุ้งไปกับงาน ไม่ใช่ฟุ้งไปเกับเรื่องกลางมาเกลียดทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อันนั้นคนละเรื่องคนละโลกแล้วเพราะจิตมันตัดขาดไปหมดแล้วหรือขั้นสุดท้ายแล้วอุทจจะฟุ้งปรุงเดินงานอยู่เนี่ยไม่จบไม่จบไม่หยุดไม่สิน้นเพราะเข้าใจว่าอะไรคือตัวอัตตายังมีอัตตาอยู่นะมีมานะอยู่มีการถือตัวอยู่มีมานะอยู่มีอัตตาอยู่แต่มันน้อยนิดยังเป็นเชื้อสายขมันนิดหน่อยท่านเองมันยังไม่หมด อัตตามันยังไม่หมดมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาได้รูปสมาบัติเขาได้อรูปสมาบัติต้องการความสุขในสมาบัติเหล่านั้นอ้าวมันต้องมีผู้เสพให้สุขเขาถึงได้รับความสุขเพราะไม่เคยดูไม่เคยกระจายไม่เคยกระจายเข้าไปเลยถ้าไม่มีอัตตาเอาอะไรมาสุขเขาเอกเอ๊ะคำนี้เป็นคำที่แปลกหูดีเหมือนกันนะถ้าไม่มีอัตตาเอาอะไรมาสุขท่านจึงให้รู้ พอเรามาดูหลักปฏิบัติชั้นสูงที่พรุทธเจ้าท่านเอามาสแสดงไว้ในมหาสี่ประธานเวทนาอ่ากายเวทนาจิตธรรมคาว่าเวทนาคือสุขคื อ, ค อ, ค อ, ค อ, ค อ, อทุกข์คือคืออทุกขคำาสุขเนี่ยอันนี้ที่เป็นธรรมท่านให้พิจารณาเวทนาท่านให้พิจารณาสุขเวลาความสุขเกิดขึ้นในใจของเราท่านให้รู้ ความสุขเกิดขึ้นจากภาวนาเกิดขึ้นในใจของเราท่านให้รู้ความทุกข์เกิด ข, ขึ้นในใจของเราคือเราไม่ทันมัน่ะถ้าว่าเราตามรู้รู้พอเรารู้แล้วไม่ใช่ความสุขมันจะหายไปความสุขมันยังมีอยู่แต่มันเป็นฝักใยของเราความทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็รู้ถึงแม้ว่าความสุขมันยังไม่ดับไปเราก็ไม่ติดใจในความทุกข์ เพราะความทุกข์มันเป็นฝักฝ่ายของสมุทัยมันไม่ใช่ฝักใยของมรรคแต่ความสุขที่หลงเหลืออยู่นี่เป็นความสุขที่เป็นสมบัติของเราแท้จริงความสุขเกิดขึ้นรู้ลองพิจารณาลองดูเวลาความสุขเกิดขึ้นในใจของเราย้อนมาดูใจของเราหรือไม่เวลามันทุกข์นดิ้นเดาเดาเอยู่ในหัวใจของเราย้อนมาดูความทุกข์ของใจของเราที่มันหลังดิ้นอยู่ในขณะนั้นในตอนนั้น่ะดูความทุกข์แน่ กลายเป็นว่าความสุขมันอยู่นอกใจของเราเ้ฝังยากนะความทุกข์มันอยู่นอกใจของเรากลายเป็นว่าความสุขก็เป็นแค่อารมณ์มประกฏที่ใจของเรากลายเป็นว่าความทุกข์เป็นแค่อารมณ์มาประกฏที่ใจของเราลองดูให้เห็นข้อเท็จจริงลองดูสินี่ท่า น, นสอนให้เราพิจารณาอาจารย์อุทกกระดาบุอาลากระดาบตท่านไม่เคยพิจารณาความสุขความทุกข์นะ เวลาท่านต้องการความสุขท่านเข้าสมบัติเวลาท่านต้องการความสุขท่านเข้าสมบัติท่านก็ออกไม่ได้ท่านจบท่านเรียนพู้ที่เจ้าไปเรียนเรียนจบภายในระยะเวลาไม่กี่วัน่แต่ว่าหมดแล้วหมดหนทางหมดวิชาความรู้ที่จะให้แล้วว่าจบแล้วเราจบความรู้เรามียังไงเธอมีองั้นเราเป็นอย่งไรเธอเป็นอย่างนั้นเธอเรียนจบหมดแล้วออืมเถ้าจบหมดแล้วทําไมความทุกข์ยังกองเต็มหัวใจเราอยู่เนาะ พระพุทธเจ้าของเราประพิจารณาไถ่ครวญตามสุขความทุกข์คิดถึงพิมพาราหุนคิดถึงพระเจ้าสุทโธสนะสิปอประชาบชดีโคตมีภรรยาพระองค์พระราชบัลรางคิดห่วงใยวิตกของบนอยู่แม้นี้ก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่จึงออกมาบําเพ็ญนี้เพราะการออกบําเพ็ญของพรงอะองค์ออกบําเพ็ญหวังพ้นทุกข์นี่วิสัย菩าสดาแต่ธรรมยวิสัย菩าสดาก็มันไม่มีอะไรมากระตุ้นเตือนหรอก มันไม่มีอะไรมาแจมมาตักเตือนให้สํานึกได้ระลึกได้ไม่มีดอกก็เหมือนอย่างไปทําความเพียนผิดนย่าแหละปดข้าวจนจะเป็นจะบตายนั่นไม่ใช่ดอกถ้าจะได้อัดได้ทาต้องได้แล้วแหละไม่มีใครทําเกินราเนี่ยเนี่ยจนร่างกายแทบจะแตกสลายแล้วแหละไหนอัดทำที่จะได้คืออะไรก็มเห็นรู้ไม่ใช่ดอกต้องการทำหม้าที่ใจต้องทําความเพียนทางด้านจิตใจนี่ เพราะมันมีพระสติพระปัญญาสมาสัมพุทธ h ในพระทัยของพระองค์น่มากกระตุ้นเตือนมันไม่ใช่เหมือนคนทั่ ว, วไปเพราะบารมีมันเต็มเปี่ยมมาแล้วเนี่ยมันสามารถแวกหาช่องทางจนได้นี่เราพูดถึงความสุขกับความทุกข์อะไรเกิดขึ้นใช้ปัญญาสติรำสตินี่แหละสักตว่าเนี่ยสักตวารู้สุขรู้ทุกข์รู้เราพูด่นี้เหมือนกับเป็นคาพูดเล่น เวลาภายในจริงๆท่านลองไปกําหนดไปทําลองดูสิมันจะเป็นการปลุกตัวเองให้ตื่นรู้ขึ้นมาจะรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยแหละเอ้าความสุขมันก็ไม่หมดไปนะแต่ใจเราไม่ติดความสุขนะะความทุกข์ไม่ไม่หมดไปแต่ใจเราไม่ติดความทุกข์ใจมันตื่นรู้มาจากความสุขใจมันตื่นรู้มาจากความทุกข์มันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันกับความสุขกับความทุกข์กลายเป็นความสุขความทุกข์เป็นแค่อารมณ์ ไปไขครัวให้ดีนะอ่าไปไข้ครัวมีข้อขัดแย้งหลายอย่างถ้าเราตามไม่ทันอ่มันเมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นบทธรรมที่ท้าทายใจของเราได้อย่างแท้จริงลองไปขัดสีลองดูนะไปขัดสีลองดูอืมความสุขกับความทุกข์ไม่มีไม่จนประสิทธิ์จักอัตตาตัวตนที่จะมาโผล่มารับตะลับสุขพับ ยินดีสุขปั๊บนะอัตตาโผล่ขึ้นมาแล้วยึดสุกและยินดีทุกปั๊บอัตตาโผล่ขึ้นมาอะไรยินดีทุกแล้ว er มัน ม, มีอัตตามันก็มีอุปทาอุปาทานมันยึดโดยอัตโนมัติเขามันอุปาทานมีอุปาทานไม่มีพบมันก็มีชาติมันยึดอยู่อย่างนี้แหละแต่เราอ้จินตกรรมที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราไปสร้างกรรมให้ท่านรักษาศีลพระเพื่อทำปฏิบัติธรรมก็ยึดมุ่งยึดในยึดอะไรอะไรอยู่อย่างนี้แหละพอดับชีวายชนปั๊บกรรมไหนที่มันเด่นโรที่สุดจิตของเราก็ไปโผล่ตรงนนั้ะ จิตของเราไปโผล่ตรงนั้นโผล่ขึ้นไปสูงจ่าตุ่มดาวดึงยามาได้ระดับชั้นนั้นนู่นชั้นนี้นูน่ น, นเอาวิหารตปลาสุทธาสาสุทธาศีลุ่ น, นไปสูงๆนั่นน่ะเป็นรูปประพบรูปปรพบนั่นนี่ตามภพภูมิที่เราควรจะเป็นแต่การที่จะไปตามหลังพุทธเจา้าตัดจิงระนีทิ้งทั้งหมดเลยตัดตรงไหนตัดตรงนี้แหละตอนนี้ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ขบวนการนี้ตรงนี้เรามาย้ำอยู่ตรงนี้ลองดูนะ เออจะได้ประโยชน์ที่ดีมากใครสามารถทําได้นั่งเวทนาปวดก็สักแต่ว่าปวดดูอยู่อย่างนั้นแหละไม่ให้อัตราตัวตนมันโผล่มันโผล่ขึ้นมาที่ไรเราปวดเราปวดเราปวดลองดูดิพี่ชนะเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เลยเราปวดเราปวดเราปวดมันปวดต้องดูที่ปวดเนเราเราเป็นปวดไหมเราเป็นปวดไหมปวดเป็นเราไหมความปวดมันทุกไหมเออเรารู้ว่าปวดเฉยๆใจเรามันก็ไม่ได้ทุก วกเขาว่าเขามันไม่ได้บวนว่ามันทุกข์วใจมันก็ไม่ได้ปวดเวทนาเองมันก็ไม่ไม่รู้เรื่องว่ามันปวดไม่ปวดมันสุขไม่สุขคูข้อที่ีพยายามย้ำเข้าไปละเอียดนะนี่วงในในการเจริญปัญญาเอ๊ะเจริญปัญญาสถามถะไปตรงไหนปัญญาทำให้สงบได้สมาธิทำให้สงบได้ แต่ปัญญาสามารถสงบระงับดับกิเลสตัณหาในหัวใจของเราได้เนี่ยเราพูดถึงสังโยชน์เบื้องบนน่ระพอรู้เหตุปัจจัยของมันแล้วก็ละลายกระจายามานะที่เหลืออยู่เล็กน้อยกระจายหายไปจนหมดเกลี้ยงตัณหาอวิชชาดับไ ป, ไปโดยอัตโนมัติของมันอวิชชาก็คือสักเทวดาเป็นปชื่อท่านเอง อรูปราคะรูปราคะมานะอุทจะอวิชาทวิชามันก็ดับคือความโง่ความลุ่มหลงแม้เท่าไม็ดหินไปใสกระจายละลายทิ้งหายหลุดลอยออกไปจากวงฉลาดวงโง่ทั้งหมดดับอวิชาอภิชามันดับมันดับโดยอย่างนี้อวิชาก็คือดับดับ ความโง่ที่ชวนให้เราหลงเคลื่อไปทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดแต่ว่าพิจารณาดูเรื่องทั้งหมดนี้คือเรื่องกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มันมีอยู่มันเป็นอยู่แต่มันไม่เคยมีใครเจาะรู้ลึกมาถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้พวกเราก็เลยอมแปรสวยพบชาติแต่ละพ บ, แ ต, ะพบแต่ละชาติแต่ละพ บ, แ ต, ะพบแต่ละชาติอยู่อย่างนี้อย่า ง, างไม่จบไม่สิน้นเพระเาะฉะนั้นกฎเกณฑ์ในการเรียนหลักอริยสัจสี่จึงเป็นหนทางที่จะทําให้เราเริ่มคลี่คลายเริ่มกระจาย วัตถะสงสารของเรามให้ย่อลงให้สั้นลงให้สั้นลงให้สั้นลงให้สั้นลงนี่เป็นหัวใจของการตั้งใจปฏิบัติอย่างแท้จริงอ่นะทุกสมุทัยนีโรดมากมไม่งั้นเราไม่มีพื้นเหยียบการพิจารณาทุกก็คือมีพื้นเหยียบอื<ม>การย้อนมาดูสมุทัยก็มีพื้นเหยียบทําให้เราเห็นว่าโอ้กองทุกเหล่านี้เกิดขึ้นจากสมุทัยอย่างแท้จริงสมุทัยก็คือตัณหาดูตัณหาก็ดูให้เห็นที่หัวใจของเราเนี่ย ใช้สติใช้ปัญยาดูได้นะลองดูดิดูได้นะใช้มาดูไม่ใช่เรานั่งแล้วมันแสดงให้ดูเหมือนเราดูละครในจอทีวีมันไม่ใช่ลองดูเห็นสิถ้าเห็นเป็นตัวเป็นตัวอย่างนั้นอย่างยังไม่ใช่พอพอเราเห็นพฤติกรรมเห็นพฤติกรรมมันแสดงออกปั๊บมันก็ดับเห็นพฤติกรรมที่มันแสดงออกภาพมันก็ดับดับพร้อมกับรู้สึกตัวว่า โอ้ความจริงของมันมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่เป็นกระบวนการของธรรมชาติถ้าให้เราเข้ามารู้เข้ามาเห็นมีความละเอียดลอนะไม่ได้ไปหนนะ้ามาหลังและย้ําอยู่แต่ตรงนี้แหละนั่นแะพอสมควรเลยนะเออนานแล้วแหละเออ่เจ็บไข้เจ็บปวดป่วยอะไรก็ดูเอาดูเอาย้ํามาตรงนี้แหละเพียงพอแล้วอืม หัวข้อของธรรมที่เราจะกระจายละเอียดอ่อกยาวมากอีกเท่าไรก็ได้อันนี้มันเป็นการมันเป็นการเกลิ่นในการเจริญสมาธินในการเจริญปัญญา